ต่อไปนะท่านพระองค์คลิมาลกล่าวต่อไปว่าผู้ใดทํากรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นนะท่านพูดดีท่านบอกว่าผู้ใดทํากรรมอันเป็นบาปแล้วก็คืออากุศลเนี่ยเกิดมากคล้ายๆกับท่านน่ะนะย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลอกุศลเนี่ยมาเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้น อย่าลืมนะกุศลมีเท่าไหร่กุศลทั้งหมดมีเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดดวงเนาะนะกุศลโดยจิตมีอยู่ยี่สิบเอ็ดดวงยี่สิบเอ็ดประเภทเจตสิกที่ประกอบสามสิบแปดนะเจตสิกสามารถประกอบได้สามสิบแปดดวงอันไแล้วกุศลที่ปิดกุปิดอกุศลได้เป็นกุศลประเภทอรหัตตมรุกุศลจึงจะปิดได้ครับอันผู้ที่ปิด สา ม, มารถที่เจริญกุศลจึงถึงกับปิดได้ <c oughs> บอกผู้นั้นก็ย่อมย่างโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้แล้วจากเมฆหมอกแต่ว่าในบรรดาคนทํากรรมนะก็คือพระองค์คลิมานี่ก็คลาเยอะรองรอ ง, รองลองมาก็คือเพชรจคาดขาแดงใครก็ได้ยินนะเพชรจคาดขาแดงเนี่ยเขาเป็นคนที่ตาเหลือกด้วยเหลืองด้วยนะตาเหลืองนี่ก็เต็มทีแล้วนะ <c oughs> เหลืองเลยใครจะมีใครกล้าสบตาสักคนเหนือนะทีนี้ ก็สมัครงานจนไม่มีใครรับอ่ะไปสมัครเป็นโจรอ่ะหวหน้าโจรก็บอกรับไม่ได้ไว้ดูหน้าะดูหัวจอดเท้าเลยบอกไอ้ น, นี้ใจมันเกินร้อยแน่นอนก็บอกว่าคนหน้าตาสีหน้าแบบเนี้ยครี ม, มีคราวคราวแดงด้วยตาเหลือกเหลืองคราวแดงเนี้ยหน้าตาแบบนี้นะกินนมแม่เสร็จแล้วสามารถเอาดาบตัดได้เลยใจเขาขนาดน ะ, นะสามารถที่จะตัดคอพ่อแล้วดูดกินเลือดได้ คนมีหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็สมัครเป็นโจรโจรยังไม่รับเลยอ่ะโอ้โหทีนี้ทํำยังไงอ่ะทีนี้ต้องประโยชน์ข้าเขาดีก็เลยไปตีสนิทลูกน้องคนสนิทของคนหน้าโจรก็เลยไปรับใช้อุปถากทุกอย่างทีนี้ลูกพี่ก็ค่อยฝากก็ได้เป็นโจรเหมือนกันทีนี้โจรก๊กนี้เนี่ยปล้นมานอนแล้วจนมีข่าวลือจนพระราชาเนี่ยสั่งจับเอาทหารเนี่ยไปจับจับมาได้ทั้งห้าห้าร้อยนั่นแหละ แี่นี้พอจับมาแล้วแค่นี้ก็ตัดสินทําไงดีอ่ะไอร้อยห้าร้อยเนี่ยมันโจรที่มีชื่อเสียงมากตัดหัวมันทิ้งเออเราใครมาตัดคอหรอคะนี้คือสมัยนั้นไม่มีเพชฌฆาดใช่ไหมก็มีคนหัวใสคนหนึ่งก็บอกว่าจะไปยากอะไรถ้าใครเป็นคนตัดคอนะก็ให้คนนั้นเป็นไทยไปะใครกล้าตัดคออ่ะคนนั้นเนี่ยพน้นพ้นโทษนี่เอาไง่ายดีก็ไปถามหัวหน้าบอกหัวหน้าบอกทําไม่ได้หรอก อยู่กินกันมาตั้งนานแล้วคนที่สองสามสี่ห้าไม่มีใครทำได้ไปจนถึงไอคนสุดท้ายบอกโอ้เรื่องแค่นี้เองน ะ, ะวันเดียวนั่นแหละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าฉับไปขอหลุดหมดทีนี้วันหลังจับโจรได้อีกจะ ท, ทำยังไงเด็กเออเขาไปเรียกไอคนเมื่อวานนี่มาตัดอีกห้าร้อยเอกแก่นี้สี่วันตัดไปสองพันนะเกือบสองพัน ที่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะตัดวัน ล, ละคนสองคนเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยนะอยู่ประมาณห้าสิบห้าปีคูณก้าไว้ในะจะ ก, กี่ศพดิโอ้มากมายาราสาลเลยนะโอ้ถ้าเป็นเราอ่ะนะ้องกำมันนั้นเนี่ยทีนี้วันหนึ่งพอแกตอนหลังเนี่ยหมดแรงฟันไปฉับหนึ่งคอไม่ขาดเลยต้องฉับที่สองงคอจะหลุดมันะก็เลยก็บอกว่าสงสารโจรมันปลดมันเถอะนะ เลยปลดทีนี้ในช่วงที่เป็นเพศจะคาตเนี่ยนะก็ไม่เคยใช้ผ้าใหม่เลยไม่เคยาทานข้าวปลายาัดเลยนี่ก็ทำไงก็สั่งภรรยาว่าเออทาข้าวปลาญาติเตรียมผ้าใหม่นะฉันจะใส่ผ้าใหม่ก็ไปอาบน้ําระหว่างทางเห็นพระสารีบุตรก็เลย น, น, นิมนต์ไปฉันนิมนต์ไปฉันทีนี้พอจะฉันพระพระสารีบุตรจะแสดงธรรมให้ฟังทีนี้เขาเนี่ยเดือดร้อนใจมากเล ย, เ, ยเราก็ทำบาปมาทั้งเยอะแยะเลยนะนั่งยืนฟังทำไป ภาษาดิบท่านก็ถามนี่เออที่ข่าเนี่ยใครข้าเองหรือว่ามีคนใช้ให้ข่าก็ บ, บอกมีคนใช้ให้ข่าเออแล้วบาปไปอยู่ที่ใคราบาปมันต้องอยู่ที่คนใช้สินะก่อนนึกว่าเออบาปนี้จะต้องอยู่ที่คนฝั่งอ่ะแกก็เลยสบายใจเลยนะพอสบายใจปั๊บภาษาริบทแสดงทำได้อนุโลมมย า, ายันนะฟังทำแล้วขี้ตามทำได้อนุโลมมยายัน พอด้า น, นุโลมมียาแล้วก็ภาษาริบุตรก็จบธรรมเทตนาแล้วก็ท่านก็ตามพเพจะฆ่าตามไปส่งพระพุทธองค์ภาษาริบุตรระหว่างทางวัวตัวหนึ่งก็ขิดตายเกิดที่ไหนดีเกิดที่ดาวบดึงนั่นแหละในแน่นะนันตรงนี้ไงพระ อ, องค์โิมานก็เลยบอกว่าผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ดวยกุศล ผู้นั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นภิกษุใดเลยยังเป็นหนุ่มย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างดูดพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกระถาเถิดนะอยากให้ศัตรูที่เคยผูกอาฆาตพยาบาทเนะี่ยคือข้าหนึ่งคนเนี่ยในคนหนึ่งคนเนี่ยเขามีญาติหม มีครับญาติเ้าใครที่เธอมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมีอะไรที่ถูกโจงองค์ุรีมานฆ่าไปก็ผูกเวรไม่ตลอดอนะนะท่านพระองค์ุรีมานก็เลยเจริญเมตตาในสัตว์ว่าเอ้ยขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมะคถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตว์บุรุษเถิด น, น, นะนะก็แล้ผู้ชวนให้ถือธอรรมเถิด ก็คือท่านเนี่ยมีเมตตาใช่ไหมเจริญเมตตาอยากให้อยากให้ศัตรูอะไรเนี่ยมีความเจริญ ง, งอกงามะนะเป็นการเจริญเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันของท่านขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติความสารเสริญคือเมตตาเถิดขอจงฟังธรรมะตามการปรารถนาต่อศัตรูนะถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําเจริญเมตตาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน เธอปรารถนาอยากให้เขามีความเจริญงอกงามในธรรมนะปรารถนาให้เกิดความสุขความเจริญอ่ะลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งของการเจริญเมตตานั่นแหละเราไม่ต้องบอกว่า อ, อยู่เป็นสุขเป็นสุขเธอมีความสุขความเจริญอย่างนี้ก็ได้ขอให้เจริญงอกงามในพระธรรมคําสอนก็ได้ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังธรรมให้มากๆนะสะภาพจิตถ้าหวังแบบนั้นจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะของเมตตาอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะเจริญความคิดในลักษณะนี้ได้นะ แล้วก็บอกว่าขอจงกระทําตามธรรมะนั้นเถิดนะพอฟังอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นด้วยนะผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่พึงเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นนั้นเลยอย่าเบียดเบียนเรานะคืออย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยพูดถึงความสงบอย่างยิ่งแล้วพึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้งและมั่นคงนะท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยพระองค์ุริมานเนี่ย เป็นผู้ที่ถึงความสงบที่สุดแล้วความสงบในที่นี้หมายถึงพระนิพพานอันท่านเข้าถึงพระนิพพานจริงๆแล้วท่านจึงนะรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้งและมั่นคงก็คือท่านมีจิตที่เป็นเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อสัตว์ทั่นหน้าคนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกศรได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใด บัณฑิตทั้งหลายย่อมทรมานตนได้ฉนนนันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะฝึกฝึกตนตนในที่นี้หมายถึงฝึกจิตนั่นเองนะฝึกจิตไม่ให้มันไหลไปกับบาป <c oughs> ถ้าหากว่าคนที่ปล่อยให้จิตเป็นบาปเนี่ยคนประเภทนั้นชื่อว่าคนชนิดไหนคนเกียรตคร้านไม่มีฮิริโอตปะในกุศลธรรมนะคนที่ปล่อยให้ใจเป็นบาปเนี่ยคาสอนกล่าวไว้เลยว่าเป็นคนที่ เกียดครานถึงตือนอยู่ก็ชื่อว่าเป็นคนหลับ น, นะเพราะในขณะนั้นนั้นเขาเขาหลับจากกุศลน่ น, นะอันบัณฑิตทั้งหลายเขาฝึกตนนะ น, นะันผู้ที่เจริญวิริยะสังวรทรานพวกนี้จะสังวรที่จะละบาปละอกุศลและพยายามที่จะให้กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นมากๆนี้เรียกว่ามีวิริยะสังวรหรือสั ม, มปทานสิ แต่เขบอกโอ้ไล่อยล่ยมันไปเถอะนะมันมีปัจจัยแล้วมันก็เกิดเออมันได้ปัจจัยแล้วมันก็จะตกนรกเหมือนกันก น, นะจะ <c oughs> ต่ออีกคำานึง <c oughs> คนบางพวกย่อมฝึกสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแท้บ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราเมื่อก่อนเรามีเชื่อว่าอาหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่ วันนี้เรามีชื่อตรงกับความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆเลยนะโทรศัท่านไม่มีแล้วใช่ไหมจิตที่คิดกระทบกระทั่งในสัตว์อื่นไม่มีเมื่อก่อนนี่ได้แต่เชื่อมาเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าองค์คุลิมานถูกกิเลสดุดห่วงน้ําใหญ่พัดไปมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมาน ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจึงถอนตันหาอันนำไปสู่ภพเสียได้ถ้าหากว่าท่านยังไม่ละตันหานะท่านคงได้ปฏิสนธิใน อ, อบายแน่นอนนะเรากระทำกรรมที่ทำให้ถึงทุกคติเช่นนั้นไวม้มากอันวิบากของกรรมถูกต้องแลว้วนะก็คือเวลาไปบินททบาทใช่ไหมบาทเนี่ยแตกเลยอะนะแต่บัดนี้ท่านก็เป็นผู้ไม่มีหนี้นะ เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะอณานะการบริโภคมีอยู่สี่อย่างด้วยกันใช่หมหนึ่งเป็นทยะบริโภคบริโภคอย่างโจรขโมยสองเป็นอินะบริโภคบริโภคอย่างคนเป็นหนี้สามทายัทชะบริโภคบริโภคอย่างเจ้าของแล้วก็สุดท้ายบริโภคแบบสามีคือเจ้าของอันนะข้อสามเนี่ยทายา ข้อแรกก็คือผู้ไม่มีศีลบริโภคเรียกว่าทยะบริโภคบริโภคอย่างขโมยถ้าบริโภคโดยที่ไม่พิจารณาเรียกว่าบริโภคแบบคนเป็นหนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์หมายถึงสามีบริโภคนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกชนที่เป็นพานสามปัญญาย่อมประกอบตามซึ่งความประมาทนะผู้ที่กุศลจิตไม่เกิดเนี่ยคนนั้นแหละเชื่อว่าคนประมาแล้ว ส่วนนักปราทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นนะตามรักษาสติตามเจริญกุศลเหมือนคนรักษาทรัพย์ท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบตามซึ่งความประมาทอย่าตะประกอบตามความชิดชมด้วยามสามารถความยินดีในกามนะอย่าปล่อยจิตให้เป็นกิเลสกามอย่าไปผูกพันกับ วัตถุกลางแบบนันอย่าไปปล่อยจิตให้ไหลไปกับกรามเหล่านั้นเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่เพ่งมีกี่อย่างเพ่งมีสองอย่างก็คือเพ่งลักษณะกับเพ่งอารมณ์นะลัคนูปนิสชาญกับอารัมณูปนิสชาญเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพ่บู์การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้เป็นการมาดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ ไม่เป็นการคิดผิดบอกคิดถูกแล้วว่า้นบรรดาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกไว้ดีแล้วเราก็ได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดนี้เป็นการถึงดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดธรรมะที่ว่านี้ก็คือพระนิพพานนะวิชาสามเราบรรลุแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำแล้วดังนี้โอ้เราก็ได้มีบุญเหมือนกันนะได้อ่านของท่านบาั่งนะก็ได้อ่านของคนที่พ้นทุกข์นี่ก็โอ้ได้บุญแล้วนะถ้าหากว่าเราคิดจะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ด้วยสิ่งเหล่านี้แหละคือสรณะของเราผู้ใดสา ม, มารถที่จะทรงจําคําสอนเหล่านี้แล้วไปค่อยๆเป็นเครื่องฝึกจิตใจของเราบ่อยๆคนนั้นแหละชื่อว่ามีธรรมะเป็นสรณะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง ผู้ใดมีธรรมะเป็นสารณะผู้นั้นก็ชื่อว่ามีพระผู้มีพระภาคเป็นสารณะด้วยชื่อว่ามีพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยเพราะว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตามนี้แหละอ่าพระสงฆ์คือยังไงก็เหมือนพระองคุลีมาที่ท่านปฏิบัติตามคําสอนจนได้บรรลุมรรคผลนี่แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นอ่าพระองค์คลิมาเนี่ยถึงโลกุตระสาระคมนะพระพระพระองค์คลิมาเนี่ยได้วิชาสามนะอันของเราเนี่ยถ้าได้ อย่างน้อยที่สุดมีศรัทธาในคําสอนเหล่านี้เห็นว่าคําสอนเหล่านี้เนี่ยเป็นคําสอนที่ประเสริฐเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะเป็นคําสอนที่ชี้ทางแห่งความดับทุกข์ได้ผู้ที่เลื่อมใสในคําสอนแล้วลักษณะยอมรับเอาคําสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติตามผู้นั้นชื่อว่าถึงพระธรรมเป็นสารณะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอันถ้าเราเข้าใจพระธรรมขณะนี้มากขนาดไหนเราก็เข้าใจ พระผู้มีพระภาคเจ้าขนาดนั้นแหละแต่ถ้าพระธรรมเหล่านี้เราเข้าใจน้อยเราก็เข้าใจพระพุทธเจ้าน้อยการถึงไตราสารณาคมของเราก็น้อยไปด้วยนั่นแหละถ้าไตราสารณาคมเราน้อยที่ถูกชุกรรมในบุญกิริยาวัตถุสิบเราก็น้อยเมื่อที่ถีชุกกรรมเราน้อยทา น, น ก, กุศลเราก็เกิดน้อยศีลกุศลเป็นต้นเราก็จะเกิดน้อยด้วยนักกุศลส่วนอื่นๆก็จะเกิดน้อยแสดงว่ามันมีอย่างอื่นมากไปแล้วใช่ไหม ถ้ า, ถ, าถ้าพูดอย่างหนึ่งน้อยเนี่ยแสดงว่าอีกอย่างต้องมากอะไรนาะมากท่านฟังสูตรนี้แล้วนะท่านต้องท่านต้องคิดว่าแม้แต่ผู้ที่มีชาติสุดท้ายนะยังยังยังมีความเห็นผิดยังกระทำความผิดอย่างนี้ได้นะเพราะนั้นนภาษาอะไรกับเรานี่นะฮะว่าจะไม่ทำความผิดในสังสารวัตอันยาวนานเนี่ย แล้วพอเกิดขึ้นมาทีไรก็ไม่พบพระ菩ธศาสนาทักทีนะเพราะว่าว่างจากพัฒพุพทธธรรมประสงค์มันเป็นท่งช่วงใช่ไหมครับรแล้วช่วงนั้นเราไปเกิดเนี่ยนะฮะอย่านึกว่าเราทําไม่ได้นะบรรดาบ า, บาอกุศลเนี่ยทําได้ทั้งนั้นนะของมาไม่เชื่อแล้วเพราะว่าทำมาแล้ว<笑>นะเพราะว่านะอุศลเนี่นะอู้ทํามาหลายชนิดเหมือนกันนะแต่และอย่างเนี่ยค่าปัดมันก็อาบายได้เหมือนกันนะ อทินนาทานรักะตะังแม่เั็งหลายครั้งอ่ะให้ผลได้เพราะนั้นเหตุเหล่านั้นเราเราเจริญแล้วอ่ะเมื่อเจริญแล้วเนี่ยนะเจตนาก็มีผลเมื่อเจตนามีผลปั๊บเนี่ยนะแต่จะเป็นไปได้ก็คือเราทํากุศลให้มันให้ใจเนี่ยนะมั่นคงกับกุศลให้มากๆให้ใจเราเนี่ยถึงนึกถึงอกุศลเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะถ้าคนฉลาดเขาจะเอาอุจาระมาทําปุ๋ยใช่ไหมหได้ยินนะ คนที่กุศลลจิตเกิดบ่อยๆปั๊บเนี่ยนะเขาจะพิจารณาอากุศลที่เคยเกิดในอดีตด้วยนั่นเป็นเพราะอาวิชชาแ ท, ท้ๆทาให้ทำอากุศลซึ่งไม่น่าทำก็ต้องทำนั่นของคือโทษของการไม่รู้อริยสัจนั่นของคือโทษของการที่ไม่ไม่มีสารณะนั่นเป็นโทษของผู้ที่ยังอยู่ในสังสารวัฏอันตอนนี้เราได้เห็นโทษอ น, นันแล้วทาอย่างไรกุศลจิตจึงจะเกิดบ่อยๆขึ้นอันถ้าเราไม่ เข้าใจวิธีการเจริญกุศลโดยหลายๆอย่างนะถ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมหลายๆสูตรหลายๆแห่งนะก็คื อ, คอศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะลยหลายๆสูตรจะมีอุบายในการคิดนะจะทําให้ฉลาดคิดถึงอาศัยเรื่องที่ไม่ดีก็สามารถที่จะปรับให้ดีได้นะสามารถอาศัยเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากเขาก็ยังเจริญกุศลได้ยังสามารถที่จะเจริญกุศลได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างในน้อยที่สุด เขาจะไม่ปล่อยให้จิตไหลไปเรื่อยเฉยโดยที่เป็นความเศร้ามองแต่จะเป็นการสังเวทแทนแทนที่จะเป็นโทสะใช่ไหมอุท ธ, ธักกุกกุจหรือกุกกุจเกิดขึ้นจะเป็นโทสะแต่ถ้าสังเวทใจพิจารณาเรื่องกรรมเป็นต้นเป็นกุศลก็จะแปลสภาพตรงนั้นแต่ว่ากุศลนั้นจะเป็นกุศลประเภทโอตตปะก็จะเกิดมากขึ้นนะโอตตปะก็จะเกิดมากขึ้นเมื่อโอตตปะเกิดมากขึ้น จะทำให้สังเวที่ผ่านมาเนี่ยนะทำให้สมาทานในกุศลมั่นคงขึ้นนะทำให้เรามั่นใจในการเจริญกุศลมากขึ้นะกุศลและจิตเราจะเกิดบ่อยขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์เก่าเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าคนที่เคยอดอยากมาแล้วคนเหล่านั้นจะประหยัดค่อนข้างมากเอางั้นอาศัยเหตุการณ์ที่ผ่านมามาสอนเขาอะ